องไหนมาจะมาภาวนาก็ได้จะมาปฏิบัติก็ได้จะมาภาวนาก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงพระสงมาในทิศทั้งสี่เป็นเสนาธนะสงูงถาวายในานามของสงฆ์หลวงพ่อวัดดีเด้ถาวายเจนาสนะกันคู่บาอาจารย์องค์ไหนขึ้นไปเปิ้นก็นต้องภาวนาของเพลิน มาในทิศทางสีตางองค์ตังภาวนาก็มีน่อยองมากต่ามาเถลอถล่ลาแบบบวชเขามาบ่มีจุดหมายปลายทางบ่มีจุดหมายปลายทางเอออันนั้นก็มีอยู่เข้าเขาวาที่ดีทุกองแต่โดยมากล้วก็ต้องมาอยู่จังวัดป่าก็ต้องเป็นผู้เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาสนใจในเรื่องภาวนา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 ที่เป็นที่หนักหนักที่ยังหนักแน่นอยู่แต่ทางนู้นก็ประกาศพระศาสน า, าไปทางที่เบตทีนี่ทางที่เบตทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันส่วนปากีสถานปากีสถานนี่ก็อิสลามเข้าไปอย่างที่อะไรที่เขายิงพระพุทธรูปใหญ่อันนั้นก็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 ก็คือแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยบวชไม่มีลูกมานะไปบวชพอไปบวชทีนี่ภิกษุณีก็บวชเป็นภิกษุณีตั้งฝ่ายพระนี่ก็บวชเป็นพระแต่นี้ก็ไปฉันไปฉันในสาลาสารารวมก็คงเป็นสารารวมกั็ทาญาทวงก็คงมาถวายอาหารเน่ะตั้งฝ่ยภิกษุณีก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่ง